ทิสุทั้งหลายทูลถามถึงบุพกรรมของพระอัครสาวกทั้งสองว่ามีปณิธานมาอย่างไรพระาศาสดาได้ตรัสเล่าว่าในสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมทตสีอันเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สิบพระสารีบุตรเกิดในสกุลพราหมณ์มหาศาลมีนามว่าสรัรทามานพส่วนพระโมค ข, ขลานะเกิดในสกุลขหบดีมหาศาลมีนามว่าสริวัดกุดุมพี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 เพื่อตอบปัญหาชีวิตนี้ให้ได้สรทมานพต้องการออกบวชแสวงหาโมกธรรมจึงไปชวนสริวัตรกุดุมพีผู้สหายแต่สริวัตรไม่พร้อมจะทำได้จึงปฏิเสธสรทามานพคิดว่าผู้ไปสู่ปรโลกคือโลกหน้าจะชวนสหายหรือญาติมิตรไปด้วยไม่ได้โลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของของตนบุคคลต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป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 สเสด็จออกจากนิโรธสมาบัติหรือพระมหากรุณาสมบัติทรงพิจารณาอุปนิสัยแห่งสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยแห่งสัทยดาบทพร้อมด้วยบริวารว่าสัทยดาบทอาศัยพระองค์แล้วจากปราถนาตำแหน่งอครสาวกดังนี้แล้วสเสด็จไปยังสำนักของสัทยดาบทสเสด็จไปทางอากาศทรงอธิษฐานพระไถย์ว่าขอให้สัตดาบท รู้ความที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อสรธาดาบทเห็นอยู่นั่นเองเสด็จลงจากอากาศประทับยืนบนภาคพื้นสรธาดาบทเห็นอนุภาพแห่งอคันตุกะและเพ่งพินิษสง่าราศีแห่งพระพุทธเสีรระแล้วพระลึกถึงวิชาดูลักษณะคนที่ตนช่ำชองอย่างดีก็ได้ทราบด้วยปัญญายาณว่าอาคันตุกะผู้นี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า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 ตลอดเวลาเจดวันที่พระอนุมัติสีสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณสำนักของสรทดาบทนั้นสรทดาบทได้ยืนกั้นฉัตรดอกไม้ถวายด้วยปิติปราโมทมีความสุขตลอดเจ็ดวันและเจ็ดวันนั้นพระพุทธเจ้าและพระอัครสาวกรวมทั้งพระสาวกอรหันได้เข้านิโรธสมาบัติเพื่อให้สักการะของสรทดาบทและชดินบริวารมีอานิสงส์มากในวันที่เจ พระาศาสดาเสด็จออกจากนิโรสมาบัตรรับสั่งให้อัคารสาวกนามว่าพระนิสพะอุโมทนาและรับสั่งให้พระอัคารสาวกอีกรูปหนึ่งคือพระอนุมาเถร ะ, สะแสดงธรรมแต่ไม่มีใครได้สำเร็จมรรคผลเลยพระาศาสดาจึงทรงสแสดงธรรมเองจจดินบริวารของสัทธดาบทได้สำเร็จอรหัตผลหมดส่วนท่านสัทธะไม่ได้สาเร็จ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 พระดาพระตถาคตเจ้าตรัสไว้อีกว่าจิตที่ตั้งไว้ถูกย่อมอำนวยผลดีให้สุดจักคนานาอย่างที่มารดาบิดาหรือญาติไม่อาจมอบให้ได้ส่วนจิตที่ตั้งไว้ผิดย่อมทำให้บุคคล น, นั้นย่อยยับปนปี้ยิ่งเสียกว่าศัตรูคู่เวรทำให้ดังนั้นการบำรุงรักษาใจให้ดีจึงมีคุณแก่บุคคลผู้บารุงรักษายิ่งกว่าการบารุงรักษาสิ่งใดๆในโลกนี้ เพราะใจเป็นสมบัติอันล้ำค่าของมนุษย์